แทำตนจะต้องตอบยังจงให้ใจรักชั่วทาําดีทําใจให้ใสชีวิตลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอล่ะเข้าสู่รายการเคสสตีกันเลยจ้ะวันนี้เคสดีอีกคนที่ห่วงใหญ่ ลูกเข้าวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527แล้วก็เป็นนักเรียนอนุบาลฝันที่ฝั น, ฝนวิทยามาตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนลูกโชคดีที่ได้พบคาสอนของคุณครูไม่ใหญ่เป็นเครื่องที่นำทางให้ได้เป็นกันลยาณมิตรตอบแทนและคุณของบุปก า, ารีได้เป็นอย่างดีลูกกลาขขอความกรณาประเด็บคุณคุณครูไม่ใหญ่ได้โปรดฝันนิ่ัน เรื่องราของบุปการีของลูกด้วยค่ะเตียงลูกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนชายสี่หญิงหนึ่งเตียเป็นลูกคนโตมาเตียอายุได้เจ็ดปีกงก็ส่งเตียกับน้องชายซึ่งมีอายุห้าปีให้บายสายอยู่กับยาที่เมืองจีนโอ จากบ้านกันไปตั้งแต่ห้าขวบ7จขวบเนะอระหว่างอยู่ที่นั่นประมาณปีพศ2478ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นพอดีทำให้เตียกับ น, น้องต้องอยู่ห่างไกลาจากบ้านเกิดมีชีวิตด้วยความยากลำบากมากต้องขุดหัวมันมาเผากินประทางชีวิตอร่อยนะ รูป่อย่ายังฉันทุกวันเลยหมันมันเผาายที่เมืองไทยคุณย่าก็เป็นห่วงเตียและน้องมาก จ, จึงไปที่ท่าเทียบเรือนี่ทุกวันโถแม่ก็คิดถึงลู ก, กนะมองหาเรือเดินทะเลที่บรนทุกคนและสินค้ามาจากเมืองจีนโหนึกแล้ว สงสารท่านนะชะเง้มองลูกมาหรือยังลำนี้มั่งเลยคอยชะเง้อมองหาเตียและน้องแต่ก็ครวี่แววเป็นอย่างนี้นานถึงเก้าปีในสุด ข, ขุนญาก็ตรอมใจตายเพราะคิดถึงลูกในขณะที่เตียยมียุตได้เพียงหปี ยากะตรอมใจตายมตรอมใจตายนี่ทำเป็นเล่นไปนตรอมมันเงาเงาเงาเฉาตายเลยเจ้ากราทมือเตียอยู่ได้19ปีก็กลับเมืองไทยได้เพียงลำพังส่วนน้องชายกลับไม่ได้ใน่อจาเอก ส, สารการออกจากเมืองจีนและเข้าประเทศไทยน้ำไม่เรียบร้อยอ ม, มีบุรตรยอมเศร้าพระบุรตร น้องชายเตียต้องถูกส่งไปเป็นทหารอยู่ทางตอนเหนือของจีนทำให้ความพยายามของเตียที่จะติดต่อช่วยเหลือน้องชายลำบากยิ่งขึ้นน้องชายเตียจึงตั้งติดอยู่ที่เมืองจีนนั่นเองทันทีที่เตียกลับมาเมืองไทยได้เตียก็ขยันทามาหากินอย่างเต็มที่ ถ้าไปทำงานเป็นลูกจ้างที่ห้างขายของที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ถึง9ปีประหว่างทํางานอยู่ที่ห้างว่างๆเตียก็แต่งงานกับแม่เมื่อเตียอายุได้28ปีช่วงนี้เตียถูกกดดันจากกลงมากคือกลงมองว่าเตียแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่เตียยังตั้งตัวไม่ได้ยังเป็นแค่ลูกจ้างเขาเท่านั้นเอง เตียก็เลยลาวจากายเป็นลูกจ้างที่ห้างเลาวกกลงพูดเรื่อยๆก็เกิดฟิตขึ้นมาเลยไม่ใช่ฟิตเนสนะไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปเรียกว่าประหยัดเวลาไม่ทำไปตัดเลยถึงพอดูหน้าเอาตัวนี้นี่ใสแล้วก็ยืดได้ ยืดและโคดได้อย่เนี่องจา ก, กเตียยไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนประกอบกับพูดภาษาไทยไม่ชัดคนจะไปรู้เรื่องนึ่นงจึงไม่ประสบความสำเร็จเตียจึงเปลี่ยนไปทำงานเปิดร้านขายไม่สำเร็จไปเป็นผู้จัดการดีกว่าผู้จัดการโรงงานเซรามิกที่จังหวัดลำปางอยู่4ปี จึงออกมาเปิดร้านทํารางน้ำทําช่องแอร์ตามโรงงานตัดกระจกโอ้ของเสียใสังนั้นเลย <laughs> อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เป็นเจ้าของกิจาการของตัวเองได้ในที่สุดค่ะ <laughs> เห็นไหมคงมองการไกลเนี่ย <laughs> มองการไกลเตียกับแม่มีลูกด้วยกันสี่คนเป็นหญิงสองชายสอง แต่อยู่ด้วยกันประมาณสิบสองปีเตียกับแม่ก็เลิกรักกันก็แยกทางกันที่เลิกรักเนื่องจากเตียเป็นคนเจ้าชูมา้มากอขนาดพูดไทยไม่ค่อยชัดนี่นะไอพูดกันยังไงเนี่ยมีภรรยาหลายคนอของพูดด้วยคำเดียวไว้นะ <love> บอยนี่นะ <love> แล้วแม่ เมื่อแยกทางกันเตียแล้วไปต่างประเทศดีกว่าเพื่อลืมความหลังไปทำงานที่เยอะระมัน<ด>อมันกว่าเยอะเพราะนั้นมันเยอะ<ด>เยอะระมัน<ด>ส่วนเตียและลูกๆ ก, ก็อยู่เมืองไทยโดยเตียอยู่อีกบ้านกับครอบครัวใหม่ส่วนลูกๆอยู่กันเองสีคนพี่น้อง<ด>อ ทางคนทางอยู่กันไปตอนเย็นลูกลูบทุกคนจะเดินไปทานอาหารเย็นที่บ้านเตียซึ่งอยู่ใกล้ๆกันอืมโอ้ชีวิตเนอะ<ม>ก็เป็นอย่างนี้พ่อมาทางแม่มาทางหนึ่งเจอกันก็รักกันรักกันก็แต่งงานกันแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันอยู่ด้วยกันสิบสองปีก็เลิ ก, กรักกันเลิ ก, กรักกันเพราะว่า พอ่อมีรักเหลือเฟือไปบริจากักให้คนอื่นแล้วมีสุดที่รักหลายคนรักที่สุดก็ยังไม่เจออะไรยงเงี้ยก็หารักที่สุดในอดมกติ <c oughs> แต่จะไม่เจอก็หาสุดที่รักไปก่อน <c oughs> มันก็สุดที่เลิกกันไปเรื่อยๆเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันเฉาเมื่อเนนะ <c oughs> ชีวิตนะมันก็เป็นอย่างนี้อือแล้วก็เลิกรักกัน พ่อไปอยู่ทางหนึ่งแม่ไปเยอรมันลูกอยู่ตามลำพังอลองคิดดูนะจ๊ะชีวิตไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเรือกเป็นยังไงนี่เรายังไม่รู้เลยแม่ไปอยู่เยอรมันแล้วเป็นยังไงนะแต่รู้ตอนนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เรามาติดตามแม่กันเลยแม่ซึ่งอยู่ที่เยอรมัน ก็รักลูกนะแต่กระจาต้องต้องไปอยู่ตรงนี้ก็โอเราจะไปหาค่าใช้จ่ายที่ไหนเพราะชีวิตมีค่าใช้จ่ายอากาศให้เราหายใจฟรีแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่ก็หายใจไม่ได้มันมีค่าใช้จ่ายสิ่งที่ทำให้มีชีวิตอยู่ได้ก็นอกจากอากาศต้องอาหารมีเสื้อมีผ้ามีนู่มีมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแหละเจงตัดสินใจไปเยอรมัน ไม่ใช่ว่าอยากจะพลากจากรูปต้องตัดใจจากลูกไปเนะข้ามน้ําข้ามทะเลเตี๋ยเนี่ยถ้าได้คิดนะว่าสมัยนั้นเน่ยย่ยาน่ยคือแม่ของตเตี๋ยไปยืนชะเง้อดูทะเลเดิเดินทะเลมากี่ลามลูกเราคงอยู่ลานี้มังแล้วตรอมใจตายชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยเราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตทีนี่แม่ไปอยู่ที่เยอรมัน ก็ได้ส่งเงินค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านรวมทั้งค่าเทอมขอลูกทั้งสี่คนส่งมาให้ลูกๆทุกเดือนเลยและแม่ก็มาเยี่ยมลูกๆที่เมืองไทยปีละครั้งทุกปีคือรักนะแต่ต้องไปทํางานหาเงินเพื่อจะมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกแล้วมันน่าทึ่งเลเป็นยอดสุดยอดจริงๆเลยจนลูกๆทุกคนเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทกันมีงานทํากันทุกคน ด้วยหยาดเงือแรงงานของแม่ที่ไปอยู่เยอรมันนี่พี่เจส่วนตัวลูกเองเนี่ยเจ้าของเคสทำงานที่บริษัทการบินไทยอแต่อยู่ที่สูงนี่อยู่ที่สูงคนเหนือคนเไาอยู่บนเครื่องบินการบินไทยจำกัดมหาชนภายในต้องรับผู้โดยสารพิเศษนี่ไม่เป็นนางฟ้า อยู่ท่นนนเป็นเวลาเกปีแต่ก็ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเตียที่กำลังป่วยหนักในระยะสุดท้ายเพื่อทดแทนบุญคุณที่ท่านได้กําเนิดลูกมาค่ะโอ้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นลูกแก้วเอาเถอะถึงยังไรกันแล้วแต่ท่านก็ได้ให้กําเนิด ร, รูปบุกายของเรามาเอาไว้ได้สร้างบา ร, รมีนี่ยังไรก็ต้องระลกึกถึงพระคุณท่านทดแทนบุญคุณ บนคุณที่ท่านให้กําเนิดตัวตัวเรามาเนี่ยปี2543เตยยศได้72ปีป่วยเป็นนำมะพลึกเน่งจะกไขมันอุดตันเส้นเลือดในสมองลูกก็พาทําปไปรักษาได้ทันท่วงทีค่ะพอหายจากเป็นนำมะพลึกอีกหนึ่งปีต่อมาเตียบปย่วยเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่แต่เตียไม่ยอมผ่าตัด เลือกวิธีใช้รับประทานยาและอาหารที่มีประโยชน์และมันทําบุญใส่บาตรทุกเช้าไม่เคยขาดและได้ทําบุญกับวัรนธรรมการทุกครั้งที่ทราบข่าวเตียมีชีวิตยืนยาต่อมาได้อีกถึงสองปีก็มีอาการแน่นท้องกินอาหารไม่ได้ถ่ายก็ไม่สะดวกทรมานจนนอนไม่หลับคราวนี้เตียจำเป็นั้งผ่าตัด ก่อนมะเร็งที่โตวขวางลำไส้ใหญ่ออกและพบว่าเซมะเร็งได้แพร่กระจายไปที่ตับแล้วเห็น oh. ไหมเจ้าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่โลกใดโลกหนึ่งเลือกเขาไม่ได้เลยเราเลือกไม่ได้นะจะเลือกเอาเอาเกาแล้วตายเลยนะ่างคันมือถูๆแล้วไปไม่ได้มันยากเยทีเดียว อะไรงงนั่งไม่เอาอะไรอืมมันยากเหมือนกันหาวแล้วไปอย่างเงี้ยแล้ยิ้มสดชื่นมันไม่ใช่ง่ายนะหลังการผ่าตัดเตียก็ได้ไปพบแพทย์ตามนะทุกครั้งขนาดเดียวกันอืมเผื่อความไม่ประมาทก็รักษาทุกแผนแพทย์แผนไทยก็รักษาด้วย นอกนือจากแผนปัจจุบัน <Okay. S 1> แผนตะวันตกแล้วมาแผนไทย <Okay. S 1> แล้วก็ไปแผนจีน <Okay. S 1> และก็แพทย์ทางเลือกไปด้วย uh huh. เพื่อเบื่อจะมีทางรอดบ้างปรากฏว่าไม่เจอเ <c oughs> จอไหมระหว่างนั้นที่เตียเลือกเลือกแพทย์ <c oughs> แพทย์ทางเลือกลูกก็ช่วยอีกแรงหนึ่งสร้างบุญให้เตีย uh huh. อ่า นี่ถูกลักวิชาชเช่นลูกสาวคนโตรสร้างรัตมการประจำตัวให้ลูกๆทั้งหลายช่วยกันนะจ๊ะ<า>ตั้งกองถิ่นหกปีพระราดวิสาธ<า>ุลูกชายคนโตได้บวชพระรุ่น60สปีพระราดวิสาธุลูกชายคนที่สองก็ได้บวชพระธรรมทายาทเตีย<า>ส่วนตัวลูกพาเตียมาทําบุญ และร่วมงานของวัฒธรรมกายแทบทุกโอกา ส, สาแต่ว่าเมื่อมันถึงเวลาเนี่ ย, ยเซมเรลงได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเ น, นื่องกระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายคือยังไงก็ต้งตายแต่ว่าก็สร้างบุญซะก่อนอันนี้ถูกหลักวิชาเตียจึงเดินไม่ค่อยไหวแต่ั้งกันจะมาร่วมงานบนวิสาขาบูชาปี2547โดยลูกช่วยกันประคอง ซึ่งก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เตียได้มาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายครับไม่ยังไงนี่รักษาลมหายใจไว้นะอย่าเราจะทำสามหมื่นวัดทั่วประเทศและรวมพุทธบุตรทั่วโลกนี่ช่วยเตียป่วยเนี่ยหลวงพ่อครับไม่มีภรยาคนใดมาอยู่กับเตียเลยมแม้จะมีลูกๆคอยเฝ้าดูแลเตียอยู่แลกกว้วก็ตาม แปลกเตียกลับไม่นึกถึงภรรยาคนใดเลยที่มีมากมายมโหลานเตียเรียกร้องให้แม่ของลูกบอก darling please กลับมาอยู่เมืองไทยเถออยากให้มาอยู่กับเตียบอกถึงอย่างไรเนี่ยขอเปิดเผย ด, ด้วยความสุจริตใจถึงจะเจ้าชู้เล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วรักแม่ รักภระยาคนแรกบอกนั่นรักแรกเจอน่รักมากทีเดียวแต่เนี่ยมันก็มีเจ้าชู้เล็กๆ น, น้อยๆพอเป็นไอเดียอะไรงั้นก็บอกลูกว่าลูกไปบอกแม่ที่เยอรมันไมกลับมาอยู่กับเตียกร อ, <c oughs> <c oughs> อยากอยู่ใกล้ๆนะไม่ใช่อะไรหรอกอยากเห็นอยากอยู่ใกล้ อยากได้ยินเสียงอนะไรเงี้ยเสียงอะไรก็ได้ขอให้แม่พูดเถอะจะเน็บแนมแกมไปชดก็เอาลื้อจะอะไรก็เอาทั้งนั้นแหละแล้วตอนนี้อยากเจอเนี่ก็พาว้าวลูกอยู่ตลอดเวลาให้ไปว้าวอนแม่ต่อแม่ทราบข่าก็ไม่ขัดข้องได้กลับมาดูแลปล้นนิบัติเตียตามที่เตียร้องขอ oh. โอ้โหสุดยอดหญิงจริงๆเลยเนี่ย โดยไม่ได้ติดใจเรื่องเก่าๆอีกเลยนี่เห็นไหมตีจะขอโทษจะขอโทษนะในวันเวลาที่ผ่านมาที่ผิดลาดเอาไม่ต้องพูดถึงดาริ่งหยุดเถิดเรื่องเก่ามันก็เก่าไปแล้วอดีตก็ดีไปเรียบร้อยแล้วเรามานึกถึงเรื่องบุญดีกว่าอืมสุดยอดหญิงจริงๆเลยอันนี้น่าชื่นชมนะน่าชื่นชมีดียวเลยเนี่ย หลังจากเตี๋ยก็สุดหนักจนลุกนั่งไม่ไหวแม่นีนแหละเห็นไหมจ๊ะไม่ใช่คนอื่นเลยจันนิมนต์พระเข้าไปรับบาตรในบ้านเธอเป็นยอดหญิงจริงๆเลยลูกก็พยุงและประคองมือเตียให้ใส่บาตรนจากนี้คุณแม่และลูกๆยังติดจานดาวทำให้เตียดูอีกอเธอยอดหญิงจริงเลยซึ่งเตียก็พยายามจะดู แม่ว่าร่างกายจะไม่ค่อยไหวก็ตามอยากจะดูเพราะรู้ว่า DMC ช่องนี้ช่องเดียวเนี่ยให้คุณมากกว่าที่คุณเห็นวันหนึ่งตอนหัวคำ่ำเตียเริ่มได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันที่บ้านมีสัญญาณมาแล้ว ท, ทั้งทั้งที่ไม่มีผู้ชายอยู่ในเวลานั้นเลยอย่างนี้จะแปลว่าอะไรเนี่ย อืมอืมอุ ม, มาเ่วาเตียเห็นผู้ชายมาเรียกให้ไปด้วยกันลูกบอกเตียว่าอย่าไปนะทมใจพระมาเรียกอ้า <laughs> นี่ถูกหลักวิชาเลยบางครั้งก็บอกว่าเตียบอกว่าเจ้าชายมาเลเซียมาหาอา ห้โซกันไปเรื่อยๆแล้วก็บอกจะใช้ม a เเ y ีย a คนนี้เคยเป็นเจ้าของบ้านที่เตียกำลังนอนป่วยอยู่นักเข่าวอีกหัวค่มของวันที่30กรกฎาคม47แล้วจากเตียฟังเทปธรรมวัดเย็นเสียงลูกปอดเทปฟังเป็นประจำจนจบแล้วลูกก็ดินนาอธิฐานและทรองเตียเข้านอนเตียพูดกับลูกว่าลูกพรุ่งนี้เนี่ย เตียจะไปแล้วนะลูกกใจเสียคิดว่าท่านเพอ้อจึงถามว่าเตียเตียพูดอะไรออกมานะเตียรู้ไหมเตียรู้ตัวหรือเปล่าท่านตอบว่ารู้คนอย่างเตียไม่รู้ได้ไง <laughs> <laughs> <laughs> น่ากล้ายาตาย <laughs> อืมหาว่าเตีย <laughs> เพ้อได้ไง <laughs> คนอย่างเตียนี่ แต่ไม่ใชมือโตบอกก็เปล่าตอนยังเตียนนี่รู้แล้วก็บอกต่อว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมชาติคือแอนกําลังจะบอกว่มามันก็ต่างๆในชีวิตมันก็ไปสู่จุดสลายอย่างนี้แหละเรื่งองคืนจงบายเตียก็เริ่มหายใจไม่ค่อยจะออกทางมาเป็นลิมเลือดสีคล้ำข้นและเหนียวคล้ายยางมะตอยลูกเรียกรถพยาบาลมารับเตีย ท่าน อ, อ่านเพลียลเสียเลือดเนี่ยไอ้ไม่จำตังเลิกคดีนะสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเราเคยป่วยมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะีแต่เราก็ลืมทุกทีป่วยทีไรเราก็กลัวทุกทีทุกทรมานทุกทีจึงมีการให้น้าเกลือแล้วออกซิเจนท่านก็ง่วงมากแต่ไม่หลับเวลวประมาณสองทุ่มลูดจึงได้ปรึกษาหมอเธองลงรายละเอยียดจังเลยเนะหมอได้สั่งยานอนหลับ กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้แล้วเตียก็หลับลงเมื่อเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งดูเธอเก็บรายละเอียดนะจากนั้นความดันของเตียก็เริ่มลดลงเฮ้เธอเป็นพยาบาลหรือเปล่านี่ <c oughs> เธอเก็บรายละเอียดต่อไปยังไม่จบคลื่นหัวใจก็แผ่วลงโอ้โหทําให้เราเห็นภาพตลอดเลยลูกเปิดเทปทําวัดเย็นให้เตียฟังนี yeah. ่ คือเธอเห็นว่านักเรียนนุบาลฝันที่ฝันวิทยาทุโลมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเธอก็พยายามจะอธิบายฟังพอฟังจบปุ๊บเตียก็หายใจเข้าอย่างสงบสามครั้งหายใจเข้านะไม่มีออกนะมันจะฮึดแล้วออกทีมันหึดฮึดฮึอย่างเงี้ยโดนโดนเข้าไปเนี่ยฮึดฮึดฮึดเบะบอมบอมตรงสด แล้วก็จากไปในเวลาเที่ยงคืนตอนกลางวันที่เตียบอกไว้ลุงหน้าหนึ่งคืนจริงจริงตอนนั้นเตียบอก oh. รู้มันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมชาติทีนี้ส่วนแม่ของลูกสิในย้อนหลังอีกหน่อยหนึ่ง <Yeah. S 1> ทันทีที่เลิกกะเตียในตอนช่วงนั้น <Yeah. S 1> ในย้อนหลังนี่ใช <Yeah. S 1> สับสนมไม่ <My. Yeah. S 1> แม่ก็เดินทางไปพัก อยู่กับลูกสาวของเพื่อนแม่ที่เยอรมันได้ประมาณเดือน ก, กว่าๆนี่หลายปีก่ อ, อนนู่นนะตอนที่ไปใหม่ๆไปพักกับบ้านลูกสาวของเพื่อนแม่ที่เยอรมันได้ประมาณเดือนกว่าจากนั่งกย้าไปอยู่กับเพื่อนหญิงชาวไทยได้สองสัปดาห์มันไม่ใช่ง่ายเลยคนที่ไม่เคยไปเยอรมันไม่รู้จักใครเลยแต่ไปเพราะห่วงลูกรักลูกเพื่อกาแ น, น, นะนําแม่ให้ไปดูแลผู้ป่วยชายคนหนึ่งเอาแล้วสิจะมีอายุน้อยกว่าแม่8ปี เขาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายรีบนึกออกมั้ยจ๊ะรกล้ามเนื้อร่างกายรีบแม่ทำงานได้ดีมากกรเดียวเราจะหาเงินมาส่งลูกเรียนหนังสือจนผ่านการทดลองเงินทีนี้มารณาของผู้ป่วยชายนะั้นจึงได้เสนอสัญญากับแม่ว่าตกลงเงินบอกนี่เธอพู้กับแม่นะ ถ้าเธอรับดูแลลูกชายของฉันจนตลอดชีวิตแม่ก็จะได้มีสิทธิ์จดทะเบียนสมรสกับลูกชายของเขาลูกชายที่กล้านึกรีบถ้าถ้าสามารถที่จะด <ielle> <they> <so> ูแลเขาได้เนี่ยถ้าตกลงกันอย่างนี้ได้แล้วก็จะมีสิทธิ์แต่งงานแล้ะจะอยู่ตรงนั้นได้อย่างถูกกฎหมายเนี่ยนึกออกไหมจ๊ะก็จะได้ทํางานอย่ถูกต้องตามกฎหมายในเยอรมันพแต่แต่เดิมไปนั่นน่ยก็ยังถูกกฎหมายยังไม่สมบูรณ์ ผิดกามายตอนที่เขาจับได้ถ้าตอนเขายังไม่จับเขาไปยังไม่ผิดยังยังถูกอยู่แต่ถูกนะ <laughs> ถูกจับนะถูกจับจรงรู้ว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาลัทธาหาก็าแต่งงานแล้วจะได้มีสิทธิ์ทํางานถูกกฎหมายนเยอมันแล้วจะได้รับส่วนแบ่งเงินบํานาญของลูกชายเขาทุกเดือนอีกครึ่งหนึ่งด้วยเอาไหมละ่ะแม่ก็ โอเคตกลงทันทีจึงทาหนังสือสัญญากันไว้อืไม่ใช่สัญญาใจสัญญาลายสือเนี่ยแม่ดูแลผู้ป่วยชายคนนั้นอยู่หกปีดูแลอย่างเดียวนะผู้ป่วยรีบจนกระทั่งผู้ป่วยนี่เห็นใจนะผู้ป่วยเองเนะี่ยแล้วก็เห็นว่าโอ มันไม่เป็นธรรมกับแม่เลยก็มีเป็นคนมีคุณธรรมเนะี่ย <Yeah. S 1> ชาวเยอรมันที่แข่งคาลิฟนั้นไม่เป็นธรรมกับแม่เลยที่แม่จะต้องมาถูกผูกมัดด้วยสัญญาดังกล่าว <Yeah. S 1> คือจะต้องมาดูแลเขาจนกว่าัวเขาจะเสียชีวิตเนะี <Yeah. S 1> ่ยเขาจะประกาศหาคู่ให้แม่ทางหนังสือพิมพ์แล้วก็แม่ก็เจอเนื้อคู่แม่จึงได้ใช้ชีวิตคู่กับสามีชาวเยอรมัน oh. คือเหตุการณ์มันบังคับอะ่ะเ mm hmm. พราะแม่จะต้องหาเงินมา ค่าจ่ายให้ลูกๆเรียนหนังสืออยู่ทึ่งเทพเพราะว่าเตียยตอนนั้นยังไม่มีอารมณ์ที่จะดูแลลูกๆแม่ก็เลยต้องใช้ชีวิตคู่กับสามีชัยมันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันระหว่างนั้นแม่ก็ยังคงดูแลผู้ป่วยชายคนนั้นเหมือนเดิมก็ยังดูแลอยู่ด้วยหัวใจที่มีเมตตาเมตตาจิต ตนแต่งงานอทนอยู่ร่วมกับสามีชายขอนก็อยู่ร่วมกันไปต่อมาแพทย์ก็ะเด็นแนะนำมารดาของผู้ป่วยชายนั้นว่าถ้าผู้ป่วยอยู่ในเมืองหนาวต่อไปจะทําให้เสียชีวิตรเร็วขึ้นเนื่องจากเลือดไม่สามารถไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้จึงควรให้ผู้ป่วยไปอยู่ในเขตร้อนอดังนั้นแม่จึงช่วยผู้ป่วยชายนั้นได้มาเมืองไทยเดินมาพักอยู่ที่บ้านของแม่ในกรุงเทพ แล้วดูน้ำใจแม่นะแม่ได้จ้างแม่บ้านคนไทยที่อยู่ในเยอรมันแม่บป็นคนไทยที่อยู่ในเยอรมันให้กลับมาดูแลผู้ป่วยแทนหรือเอาผู้ป่วยนั้นมาอยู่เมืองไทยเอาแม่แม่บ้านที่เอามาดูแลแทนน้ําใจแม่เลยไหมจ๊ะแม่พาผู้ป่วยชายนี่มาอยู่บ้านแม่ที่กรุงเทพที่เมืองไทยเนี่ยแต่ส่วนตัวยุกสามีชาวเยอรมันที่เยอรมันแล้วก็เอาเอาเอาอะไรแม่บ้านมาดูแลแทนตัว แต่พอหนึ่งปีเนี่ยจะมาเยี่ยมผู้ป่วยชาวเยอรมันที่แข็งขารีบเนี่ยเป็นเวลานานถึงสิบก้าปีโอ้เป็นยอดหญิงด้วยความห่วงใยจิตใจคุณแม่จของเคสซิงงดงามจริงนะหายากมากเลยไม่ใช่จะหาได้อย่างนี้ได้หลายคนในโลกนี้นะจ๊ะนี่แม่ได้อยู่กับสามีชาวเยอรมัน จนวันปราชีวิตแม่อยู่ได้ประมาณ 58-59 ปีแม่จึงพาสามีชาวเยอรมันกลับมาอยู่เมืองไทยโดยซื้อบ้านใหม่หลังหนึ่งแล้วก็อยู่กับสามีชาวเยอรมันแต่สามีของแม่มาอยู่ได้ประมาณ5ปีก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่เร็วเวลาที่แม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับสามีชาวเยอรมันนานถึง20กว่าปีหลังจากสามีแม่เสียชีวิตไปประมาณ1ปี ผู้ป่วยชายที่แม่เคยดูแลจึงเสียชีวิตนี่โอ้โหแต่แม่นี่มีน้ำใจดีมากนะไม่โกรธพ่อไม่โกรธเตียมาส่งยิ้มส่งเตียไปปรโลกแล้วก็เลี้ยงดูบุตรทำหน้าที่ของแม่ได้ดสมบูรณ์แล้วก็ดูแลผู้ป่ ว, ปวยด้วยจิตที่ประกอบไปด้วยเพตาแม้เป็นชาวเยอรมัน แล้วก็ยังดูแลสามีชาวเยอรมันนั้นเอามาอยู่เมืองไทยปฏิบัติอย่างดีไม่ใช่หาง่ายเลยไม่ง่ายเลยเนี่ยคำถามอิบากก ร, รมไดที่บีบคั้นกลงให้สองเตียงน้องชาไปอยู่ที่เมืองจีนซึ่งอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองพอดีด้วยคะัะคุณย่าทำกรรมใดไว้ จึงแพ้พราดจากลูกชายผู้ยาววัยพร้อมกันถึงสองคนแล้วท่านเสียชีวิตเพราะตรามใจตายจริงหรือไม่ตายแล้วไปไหนคะมันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะเตียทําการอะไรคะจึงมีแต่ความพัดพ ร, ราดจากหมู่ญาติและเตียและน้องชายมีกรรมต่างกันอย่างไรจึงทำให้น้องชายเตียไม่ได้กลับมาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายดังเช่นเตียคะเตียจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ได้พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย แต่น้องชายเตียไม่ได้พบวิบากกํามใดที่ทําให้เตียเกือบเป็นน้มันพลุกและก็มาเสียชีวิตด้วยเร่มะเร็งลําไส้ใหญ่คะจริงหรือไม่คะที่เตียได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันและเสียงนั้นคือใครทําไมเตียจึงบอกว่าเห็นเจ้าชายมาเลเซียมาหาและเจ้าชายมาเลเซียเคยเป็นเจ้าของบ้านที่เตียนอนปัวรอยู่จริงหรือคะแต่จริงเขาเหล่านั้น เป็นใครคะ<ช>เออเตียรู้วันตายลูกหน้าหนึ่งวันได้อย่างไรคะเตียตายเพราะถึงวาระของเตียเองหรือเป็นเพราะยานอนหลับถ้าเป็นกรณีหลังลูกจะบาปไหมคะเพราะหมอสั่งยานอนหลับเนื่องจากลูกไปปรึกษาเองคะ่ะมาเสียชีวิตเพราะอะไรนี่จะของเคสในฐานะเป็นลูกสาวก็อยากจะรู้เมือ 3, ่อกันช่วงสามเฮือกเตียอยู่ในบุญไหมคะ ตายแล้วไปไหนเดียได้มาเวียนระทักศินรอบมหาธรรมกายเจดียด์ตามที่ลูกๆเดี๋ยวักซ้อมกติว้ไหมคะเตียฝากบอกอะไรถึงแม่และลูกๆไหมคะการใดจะทำให้ผู้ป่วยชายคนนั้นป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายรีบและเหตุใดแม่จึงต้องมาดูแลและเยี่ยมเย็นเขาตลอดชีวิตเขาตายแล้วเขาไปไหนคะเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละ สามีชาวเยอรมันของแม่ทําการอะไรมาจึงเสียชีวิตด้วยเมร่มะเร็งในลําไส้ใหญ่ตายแล้วไปไหนคะแม่มีความผูกพันอย่างไรในอดีตกับชาวเยอรมันคนนั้นคะด้วยความกตัญญูที่ลูกเต็มใจลาออกจากงานเพื่อดูแลเตียที่ป่วยหนักและต้องการดูแลแม่จะยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างดีลูกจะได้รับผลบุญอย่างไรคะที่แม่ตัวลูกและพี่ๆทั้งสสร้างบารมีมากระหม่อมกันได้อย่างไรคะ ลูกมีบุญพอที่จะส่งมานีเป็นเจ้าของกิจการรีสอร์ทเอาไงมาตรงนี้อ๋อซึ่งส่วนหนึ่งลูกย้ายเป็นสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่วิชาธรรมกายลูกจะสมหวังไหมคะจําเรื่องราและคําถามได้ไหมจ๊ะจํได้ละตาฝันปนตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา แล้วก็นําไลฟ์ฟังเป็นนิยายปารัมปราการชาเตียกับน้องชายถูกกองส่งให้ไปอยู่เมืองจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพราะกำแนดิดเตียกับน้องนะ่ะเคยอนมโมธนาบาปแล้วก็สนับสนุนกงินทางอ้อมให้แก่เมืองของตนที่ส่งทหารไปทำสงครามกับอีกเมืองหนึ่ง มาส่งผ่อในกล่องส่งไปอยู่ในเมืองที่มีภาวะสงครามจะคุณยา่าพัดฟรากจากลูกชาตั้งแต่ยังยาววัยสองคนเพราะในอดีตสมัยย่าเป็นผู้ชายท่านได้เป็นเจ้าหน้าที่คอยเกณฑ์ทหารส่งชายหนุ่มไปเป็นทหารและออกรอบในสงครามเป็นจำนวนมาก ทำให้พัดพรากจากครอบครัวมาส่งผลวิบากกรรมเนี้ยมาส่งผลทําให้ทหารที่เ อ, อกครบต้องพัดพรากจากครอบครัววิบากกรรมนี้จึงทําให้ท่านมาตรอมใจตายจริงๆจ้ะเพราะว่าพอไปเป็นทหารพอเกณฑ์ทหารคนนั้นเอาไปถูกเกณฑ์ทหารครอบครัวก็พัดพราดกันก็ตรอมใจมานึกถึงตายแล้วก็ไปเป็นภูมิปถวาระดับทั่วไปวนเวียนอยู่ระยะหนึ่ง ตอนนี้ไดไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจรับบุญได้นี่ชีวิตในสังสารวัตรเ่็นไหมจ๊ะเพราะคลายความผูกพันท่นั้นน่ยก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แปล ว, ว่าไม่รู้จักกับครอบครัวเดิมแล้วไม่รู้จักกลงไม่รู้จักลูกของตัวแล้วที่ตัวไปยืนลำพึงอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยบนเรือลำนี้คงจะพาลูกกลับมาเนี่ยแล้วก็ไม่เคยเจอเลยแล้วในสุกทรอมใจตายที่ไปเกิดใหมแ่แล้วแปลว่า ลายความผูกพันจากเรื่องนั้นไปแล้วแล้วลืมไปสนิทเลยว่าเคยไปยืนอยู่ที่ท่าเรือเพื่อรอคอยการกลับมาของลูกนะหลายปีจนตรอมใจตายพอเป็นมนุษย์แล้วมันก็ลืมเนี่ยนี่เลยจะชีวิตในสังสารวัตแต่เป็นมนุษย์แล้วก็ไม่อาจจะรับอุนได้เตียต้องพัดพรากจากมูยาบเพราะเป็นกรรมในอดีตที่อนโมธนาบาปและสนับสนุนทําอ้อมทจะเป็นคนพัดพลากทั้งจากไปและจากตายดังกล่าวแล้วมาส่งผลจ้ะ เตีย yeah. แต่เตียกลับเมืองไทยมาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้แต่น้องชายกลับมาไม่ได้เพราะเตียยังมีบุญที่เคยทำไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายดึงดูดเอาไว้อยู่ oh. นี่หนไหมจ๊ะแต่ครูม่ใหญ่บอกมาทาบุญร่วมกันมาทำซะ <Yeah. S 1> คือจะพลัดไปทางไหนเดี๋ยวบุญก็จะดูดกลับมาจะดึงดูดให้เราอยู่กันในหมู่นนะนี่เห็นไหมจ๊ะเนี่ย เตียยังมีบุญที่เคยทําไว้ในพุทธศาสนาวิชาธรรมกายดึงดูดเอาไว้อยู่บุญนี้จึงได้นำกลับมาเมืองไทยและได้มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจ้าส่วนน้องชายก็มีเหมือนกันนะสายบุญกับพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแต่น้อยมากเพราะสายบุญบางจางจึงไม่อาจกลับมาเจอได้ถ้าสายบุญจางแล้วก็โอกาสจะเจอนี่มันยากนี่นะจะ้าเตียเกือบเป็นอมพลกเกือบเป็นอมพลึกและเกือบเสียชีวิตด้วยมะเร็งในลำไส้ใหญ่เพราะ แล้วกรรมในอดีตและปัจจุบันได้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายในสมัยที่ยังเกิดในสังคมเกษตรกรรมแล้วปัจจุบันก็ฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นปลาเป็ดไก่เป็นต้นมารวมส่งผลเนี่ยเป็นอังมาเพลิกเกือบตายแล้วก็เป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ตายเตี๋ยบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันนั้นก็เป็นเรื่องจริงเป็นพรมะเทวาแถวนั้นเรื่องจริงนะ แล้วเตียกใกล้จะละโรคแล้วจึงได้ยินเสียงและเห็นกันได้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเตียบอกว่าเจ้าชายมาเลเซียมาหาแต่บอกไปเจ้าของบ้านตเตียนอนป่อยู่นั้นก็เป็นเรื่องของการเพ้อเพราะพิษไข้จ้าถ้าลองไปถึงเป็นเจ้าชายแล้วก็ไอ้น่นมันก็เกินไปแล้วเตียรู้วันตายโรกหน้าได้หนึ่งวันเพราะ บุญในช่วงท้ายที่ทําจึงทําให้มีสติและรู้ตัวได้เตียตายเพราะหมดอายุไขและริดยานอนหลับที่กดเอาไว้ไม่ให้ทรมานจ้ะลูกก็ไม่ได้มีบาปกรรมอะไรเพราะว่าถึงเวลาของท่านดังกล่าวแล้วแหละอท่านลูกก็ได้ไปปรึกษาหาเรืองกับคุณหมอซึ่งทาง่นานก็เลยแนะนําให้กินยาเพื่อไม่ให้ทรมานจ้ะเตียตายแล้วด้วยใจที่อยู่ในบุญเด็ตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของดาวดึงเฟศสาม ตีไปนูนะ่นนะนี่บุญส่งผลก่อนเพราะฉะนั้นนี่ใครที่เจ้าชู้ชู้เล็กเจ้าชู้น้อยแ้งๆมานี่ตน้นต้นคดปลายให้มัอตอนตรงๆแลๆ้วต้ตนตรงกลางคดต้องปลายตงตรงก็มีสิทธิ์ไปเดาดึงเฟสซามได้เราะมีกำลังบุญเท่านี้จะไม่ได้มาทำตามหลักวิชาทีทลูที่แนะนำจะมาครันนี้ก็บบุญแล้ว ตอนนี้ท่านมีปิติเบิกบานมากนั่งยิ้มไปยิ้มมายิ้มไปยิ้มมาคือหันซ้ายก็ยิ้มหันขวาก็ยิ้มยิ้มไปยิ้มมายิ้มไปยิ้มมาชมที่พยสมบัติอยู่นึกก็สวยนี่ก็สวยนึกก็สวยแม่มันน่าจำลองนะแหวนทักวงหนึ่งของวิมานของใครก็ของคนนั้นเนาะดีเหมือนเอาไว้เลิกนึกถึงบุญเนี่ย มันดูโอ้นี่เศษเสี้ออยงบนเรามันยังสวยขนาดนี้ยิ้ใไปยิ้มมาชมที่พระยาสมบัติอยู่แล้วฝาขอบคุณทุกคนที่ดูแลดูแลฝาขอบคุณแม่ฝาขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะขอบคุณตัวลูกที่แนะนํำให้ท่านทําบุญในช่วงท้ายของชีวิตซึ่งบุญได้ทำเท่าอดีตที่ท่านได้ทํานั้นได้ส่งให้ท่านมาอยู่ตรงนี้จ้ะนี่เป็นการฝากขอบคุณด้วยความซาบซึ้ง ผู้ป่วยชายคนนั้นป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายรีบเพราะกลามแนื้ดีได้ไปคุนนางได้สั่งลงโทษทาสที่ทำผิดทาสมันก็มีทุกยุคทุกสมัยทุกกลับโดยให้มัดแขนมัดขาแล้วก็ปล่อยให้นอนตายอยู่ตรงนั้นแหละจนกระทั่งเขากล้ามเนื้อเลือดลมโดิไม่เคยสะดวกมาส่งผลอย่าง แม่ต้องมาเยี่ยมดูลเยียวยาเขาตลอดชีวิตทั้งแขนขาข า, ขารีบเพราะในอดีตได้เคยเป็นแม่ลูกกันจริงๆเลโดยคนที่ป่วยอยู่ได้เป็นลูกชายในชาติแต่เป็นขุนนางดังกล่าวแล้วโดยใ่ชาตินั้นแม่ก็มีจิตยินดีที่ลูกชายลงโทษท่าคนนั้นสมน้าหน้าดีเพื่อที่ว่าท่าคนนั้นจะได้ไม่กลา้าทำผิดอีกแล้วก็เป็นตัวอย่างกลอกท่าคน อ, อื่นเออ ที่จริงมันมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะไม่ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรแต่มันไปผิดกฎแห่งกรรมนี่มันเป็นอย่างนี้ัตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจ้ะอยู่ในครอบครัวชนชั้นกลางในประเทศไทยจ้ะโอ้ี่ขันคาลีมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นคนไทยแล้วจากเกิดคนคนเยอรมันมาเกิดเป็นคนไทย แปลว่าไม่มีที่ใดในโลกนี่ที่เราไม่เคยไปเกิดพระ ส, รสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงตรัสไว้ว่าเอามือเอานิ้ ว, วจิ้มไปตรงไหนเนี่ยที่ตรงนั้นเป็นที่กระดูกของทุกๆคนที่เคยเกิดและตายตรงนั้นมานับครั้งไม่ท้วนนับครั้งไม่ท่วนนะทุกคนต้องไหย้ทั่วโลกเพราะนั้นเราจะไปถือเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์กันทํามไมมาศึกษาเรียนรู้สากลแล้วก็ มารักกระปรารถนาดีกันเธอใช่ไหมจ๊ะเรามาเข้าครัวเดียวกันสามีชาวเยอรมันของแม่มาถึงสามีชาวเยอรมันแล้วนีเศรษฐีชีวิตด้เร่มมะเร็งลำไส้เพราะนน่ดีได้เป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์แล้วได้ส่งสัตว์ให้เข้าไปฆ่าแถะและอีกทั้งฆ่าขายด้วยมารวมทรงผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้ว อยู่ในครบครัวชนชั้นกางในประเทศไทยเช่นเดียวกันจ้ะผูก พ, พันแม่เลยผูกพันประเทศไทยด้วยเพราะรักคนไทยเลยรักเมืองไทยนี่เห็นไหมนี่เริ่มมีก็เริ่มเมืองของฉันอแม่มีความผูกพันกันในอดีตกับชาตนี้เพราะเคยเป็นสามีภริยา ก, กันจ้ะ คืเคยเป็นสามีภรรยาเผชิญหน้ามันมันต้องผูกพันกั น, มนไม่รู้ว่าไงมันต้องผูกพันกันเพราะว่าเคยอยู่ร่วมกันมาเคยเกือ้อกูลกันลูกเต็มใจลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเตี้ยที่ป่วยหนักและต้องการมาดูแลแม่ที่มีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่นั้นจะมีอานิสงส์มากมายแต่โดยย่อดนะจ๊ะด้วยบุญที่ลูกเลี้ยงดูบิดามารดาก็จะปิดอบายไปสวรรค์นีน่ก็เหลือเฟือแล้ว เมื่อถึงคราวที่เราลำเคินเพราะวิบากกรรมชาติใดชาติหนึ่งระส่งผลนี่ยก็จะมีคนมาดูแลเราเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่เราได้ดูแลบิดามารดาเป็นต้นจ้าเพราะอนิสงส์มันเยอะเตรียแม่ตัวลูกและพี่พทั้งสาคนเคยสร้างบมีกมุกขคณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้าเตรียกับแม่และพี่ทั้งสาคนเป็นประเภททําตามอารมณ์ส่วนตัวลูกก็จะมีสายบุญกมุกขณะมากกว่าคนอื่น ๆ, ๆจ้า บุญที่ลูกที่ทํามาก็จะส่งผลในลูกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกปรารถนาในระดับหนึ่งทีเดียวจ้าลูกปรารถนาอะไรก็จะสําเร็จได้ในระดับให้แสงสมบุญปัจจุบันไปเรื่อยๆก็จะมีสายสมบัติเพิ่มขึ้นแล้วความสําเร็จก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจ้าชาตินี้มาจอกัแล้วกให้ตั้งใจสร้างบุญารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปด้วยสืบบุรีวงบนวิเศษเขตบารมีพริสัตจะได้พลัดกันเลยจ้า นี่ก็เป็นเรื่องราวของเคงสต์ ด, ดีสั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้